เป็นผู้หญิงผู้สายปฏิบัติได้มรรคผลนิพพานเนี่ยเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้ถ้าตายแล้วจึงเอานั้นบอแมนผิดไปตัวนี้การปฏิบัติธรรมะเนี่ยถ้าปฏิบัติติดต่อกันบวให้ข่าสาสชักเทือนี่สามเดือนนี่ผมรับรองได้ย่างเต็มไม่เต็มหน่วยอ้าวหกสิบเปอร์เซนจิตใจคนต้องเปลี่ยนลดย่างซาเ อ, อ, อย่างย่างไวนี่ครับถ้าย่างซาที่สุดนี่แหละ ตำลาเขาบอกว่าเจ็ดปีว่าสันแต่ผมย้ำจะข้าจะหยับเขาอีกตืมถ้าอย่างซ้าที่สุดเนี่ยปฏิบัติติดต่อกันไม่ให้ข้าสายจากเธอเนี่ยผมว่าคงจะไม่เกินสามปีจะได้ประสบเอาวุมสุอย่างแท้จริงในหลักพุทธศาสนาแม้จะมีเงินลอยเงินพันเงินเมือ่อเงินแสนเอาไปซื้อเอาวุมสุขอันนี้ก็ได้ครับ ควรสุขประเภทนี้บ่มีตลาดขายขายให้กันบ่เปลี่ยนและเอาให้กันกระโบได้มีแต่เพียงการแนะนําเท่านั้นห้าห้าคนแนะนํานั้นให้ไปสู้จุดอาจจกระจุดได้วันนี้จะกลับมาเล่าเรื่องเพื่อนประวัติอาจารย์มหาอีกเติมทีหนึ่งที่ได้เล่ามาแล้วเนี่ยเพื่อนก็เลยถามโผล่บันเนี่ย มันปฏิบัติธรรมะในจุดสำคัญมันคืออันใดวันเสารนวานสมัยอยู่บ้านาอ้อนะบัดเนี้ยก็ผมเป็นคนงโง่ครับบ่ได้เรียนหนังสือในจำเป็นก็ต้องบอกซื้ อ, อ, อมีพรนอาจารย์มหากับทิศสิษยนี่แหละว่าเป็นพระนมหลวงปู่กาหลวงปู่วัดสี่คนแล้วกับผมนี่อยู่ํากันถามมันมันไม่จุดสำคัญยังไง โย้ว่ะอันหาว่ากันพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวนี่ยาวคคาสองข้อมือนี้บ้เหยย่าตืมจากเถื่อนี้ี่โบ้แสดงความจริงเลยครับว่าอันนี้ได้เป็นตัวสําคัญมันผมคนเนี่ยมันต้องมีการยาวาตืมได้ครับ่เพิ่นเข้าใจรถวอลทอนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวเนี่ยมอลทอนี้เนี่ยมันเป็นอ น, นันต์พุนได้ขาดวัดสิว่าใหา้เพิ่นกระธรรมดาคนถามกันแนวคนรู้จักตำล้าผมเนี่ย บอกซื้อๆนี่แหละให้ว่าจะไปมันอนันต์พุ้นต่างหากได้ครับมันขาดขาดเอาจากกาันซื้อๆนี่เพิ่นเลยเข้าใจเข้าใจเพิ่นเลยจับเอาเรื่องอันนี้แหละผมก็ได้ยินพเพิ่นเล่าให้ฟังจับไปถามเจ้าคณะอำเภอเสียงขานเนี่ยมันสามารถที่เป็นอย่างฟันแท้ๆบ่ปฏิบัติธรรมานี่ว่าฟันเพิ่น ก, กันยังยังบวไว้ใจยบบอยูบ่บุตรยังกระโบ้จับเพิ่นแหละเหลือจากนั้นเพิ่นยังจับเรื่องอันนี้มาถาม แล้วคณะจังหวัดเลยที่ตืบมันเป็น น, ออนักทันแพทย์บ่ากันเพิ่นเพิ่นหาเอาเรื่องเพิ่นไปวีพลาววีจารณ์อันนี้เราประวัติของเพิ่นแห่ที่ซื้ออันเนี้ยดัง <c oughs> นั้นการปฏิบัติธรรมะนั้นผมจึงได้เคยพูดว่าเรื่องโลภโกรธหลงเนี่ยมันอย่างโบมีนเปนสิ่งสําคัญถ้าหากผู้ใดว่าโลภโกรธหลงเป็นสิ่งสําคัญนั้นทูกอยู่แต่มันทูกผิวนอกนอกโบม่นมันทูกผิวไหน ผมเลยเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมะผมไปอ่านหนังสือตำลาหลักสูตรนักธรรมสั้นโทเนี่ยว่าพระโสดาบันจะมาเกิดในมนุษย์อีกชาติหนึ่งคือเอกะที ท, ท, ทีผมเลยนึกได้ว่าโอ้พระโสดาบันนี่ก็จะมาทำงานบนนี้เด้เติมเตือ น, น, น <c oughs> เพราะงานมันโบแล้วว่าั่น พระโสดาบันจะมาเกิดในมนุษย์อีกเจ็ดอีกหกชาติโอ้ oh. พระโสดาบันนี่ก็จะได้มาทำงานอันนี้อีกตื่นได้หกเทือยังจะเสร็จงานเพราะฉะนั้นผมคิดผู้เดียวผมบันเนพระโสดาบันจะมาเกิดในมนุษย์อีกเจ็ดชาติโอ้ oh. พระโสดาบันจะได้มาเกิดในมนุษย์อีกเจ็ดชาตินี่ก็ จะมาทํางานอันนี้อีกเพิ่มเจ็ดเพื่อได้งานนี้จึงจะจกสําเร็จไปได้ผมนึกอันนี้ขึ้นมาฉะนั้นเรื่องกลับเรื่องกันเรื่องวิพากษวิจารณ์มุนี้ผมปรากฏว่าเมด่สิ่งที่ว่าเรื่องการทําบุญให้ฐานมันมันเป็นเงื่อรอซื่ อ, อ, อเรื่องการทําบุญให้ฐานรักษาสิ่งย่างใดๆก็ตามเป็นเงื่อรอเพราะให้คนติดเหล่าสก่อน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 ปัญหามันจุดนี้แหละพอให้เข้าใจไว้เรื่องอาการเกิดดับบอสเซเมนว่าคิดนี้มันเกิดนี้มันดับนี้หูได้ยินมันเกิดมันตรงเข้าไปถึงจิตใจมันดับอ น, นันเขาสอนกันอยู่ก่อนแล้วเรื่องนี้เขาสอนกันอยูก่ก่อนบอสไม่จุดพระพุทธเจ้าสี่จุดอาจารย์องค์อื่นสีมาถ้าหากผู้ใดไปซักไปก้าวเอาคําสอนอาการเกิดดับ ที่แท้จริงนั้นมาว่าเป็นจุดนี้นั้นผมว่าภูนิกัสีเป้าหมายผิดและอีกต่อไปนี้หากพวกเราทุกคนมาฟังธรรมะไปไปตีเป็นเลขเป็นบัตรเป็นเบอร์นั้นผมว่าคงจะเป็นคนฆ่าผมอีกสะดวยหรือฆ่าพระพุทธเจ้าไปอีกสะดวยขันหากพระพุทธเจ้ายัางมีอยู่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 มันโบเมนคำจริงมันว่เป็นคำสอนข อ, ของพระพุทธเจ้าผมก็เลยเตือนมากระทั่งผมเองผมก็บอเคยเมาจักเครือเรื่องเลขเรื่องบัตรเรื่องเบอร์แต่เมาเลี้ยนไปคื อ, อคนมาโดยมากผมมาอยุ่คนแก่นเนี่ยมาจับเอาคันผมว่าวอันนั้นอันนี้ไปจับเอาไปตีเป็นเลขเป็นบัตรเป็นเบอร์ไปหลายคนมากระเทืกคู้นึงไปสแสเนวหลายคนคิด คันทึ้ซึ่งปัญหาว่าผมบอกเลขเถอะว่าที่ตายจิตหัวคนนี่จังหวะความจริงผมบ่ได้เจตนาตั้งแต่จากเกิอตั้งแต่เกิดมาผมบ่ได้คิดเจตนาแม่ผมมาบวชนี่ผมมีเจตนายัางเดียวจีตมาเว้าธรรมะอันมีเท่านั้นผม ใ, ใจฝั่งอยู่ในใจผมเนี่ยถามพระ อ, อาจารย์มาหาก็ได้ถามผู้ที่เคยอยู่ในผมนานๆปีมาก็ได้ผมนึกอยู่แล้วว่าถ้าหากเวาเรื่อง รักศาสนาเรื่องคำสอนอพระพุทธเจ้าเนี่ยเมืองไทยนี่เข้าใจธรรมะดีกันแล้วผมยังอยากเรียนภาษาอังกฤษอยู่เท่าทุกมือเดี๋ยวนี้ผมอยากไปว้ากับฝรั่งผมได้เว้าเรื่องนี้อยู่บัเสาผมจะเป็นนุ่งกางเกงแบบดำดำนั่นแหละเสื้อดำดำนั่นไปเว้ากับอเมริกากับฝรั่งเนี่ยให้พูดภาษาปฏิบัติธรรมะผมจิตซี้เข้าไปจุดเดียวเท่านี้ไปทํางานกับอันนี้เท่า น, นั้นอาจารผมคิดอยู่นะ เพราะพวกนั้นเป็นนักปัญญาชนข่คมคิดมากผมเราคงจะเข้าใจเมื่อฝรั่งเข้าใจแล้วผมยังที่ซึกงอึดอึนเธอนึงละเพจนั้นจะไปซอนเจ้กเนื้อสับนบอรเนี่ยไปซ่อนคนจีนเนื้อสนบัรเนี่ยที่บวัเป็นพระจีนเนื้อสันวาโบเสื้อถามมู่มู่ผมที่เคยไปอยู่นะผมผมได้ตั้งสังเกตอย่างตีอยู่โบาสาร์จากเธอเรื่องการบวกการศรึกนี่ยังบวชสำคัญเธอได้ครับการบวกลการศรึกนีน่บวชสำคัญ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 เมื่อรู้จักสมมติย่างโทวถึงแล้วที่ก็ตงให้รู้จักหลักพุทธศาสนากับศาสนาศาสนาคืออย่างพุทธศาสนาคืออย่างและให้รู้จักบาปบุญเรานี่แหละเมื่อรู้จักจุดนี้แล้วเราต้องแนะกันให้เบิ่งคิดซีเข้าไปหาคิดเลยบระเดี๋ยวมันคิดท้ายกระซ้างคิดดีกับถาม มันคิดเรื่อยๆมันกําลังคิดเมื่อลูรูปน้ำไม่ไม่นี่กําลังคิดข่มคิดอันนี้ฟุ้งขึ้นเลยหูนั้นหูนี้คิดโหยุดบ่ถอยแม้มีความหูสามารถจะถกเถียงคนนั้นคนนี้ได้นี่เป็นควมลู่ของวิปัสสนาเป็นปัญญาของวิปัสสนาเกิดขึ้นกับจิตใจของเราบ่แม่นตัวจริงตัวจริงในแท่นนั้นเพียงแต่ว่าปัญญาของวิปัสสนาลู่รูปน้ํา ทุขังอนิจังอนัตตาพลิศตาหายใจคิดนึกเหล่านี่เป็นรูปเป็นนามเป็นทุกขงังเป็นอนิจังเป็นนัตตาเป็นเกิดเป็ น, ปนดับรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกรูปสมมุตินะสิฉะนั้นทุกคนจึงเป็นธรรมะเมื่อด่ากันก็ด่าธรรมะอเมื่อด่ากันก็ต้องด่าพระพุทธเจ้าเมื่อด่ากันก็ต้องด่าพระสงฆ์ฉะนั้นผมจึงว่า โบยักดาไปทั้งเมื่อทุกมือเดี๋ยวนี้คันผมดาผงก็ดาพระพุทธเจ้าโลดทุกคนนี่สามารถมีพืชหรือมีเสื้ออยู่ถ้าหากทำจริงๆแล้วสามารถที่จะประสบเอาใจแท่ความสุขที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นเรียกว่าสัจจะสัจจะของพวกเรานี่ว่ากับสัจจะของพรุทธเจ้านั้นต่างกันสัจจะของพวกเรานี่คันที่ไป บ้านฟันปวงเมื่อเนี่ยคันบบไปย่านเสียสัตว์จำเป็นต้องไปอันนี้สัจจะของสมมุติสัจจะของพวกเราคันบโบไปที่เสียศีลนะท่านสัจจะของไทยเฮาต้องเป็นนะท่านเมืม่อนี้จิบไปบ้านหัวทุงคันโบได้ไปบ้านหัวทุงเนี่ยจเสียดสัตว์จีเสียศีลนะท่านเนี่ยสัจจะของพวกเราต้องเป็นนะท่นความจริงสัจจะพระพุทธเจ้าบระพุเป็นอย่างท่น พระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเราไม่บรรลุถึงมรรคผลนิพพานเมื่อใดเราจะไม่ท้อถอยต่อการกระทําหรือต่อการปฏิบัติของเราถึงจะตายก็ตามสร้างมันพระพุทธเจ้ามีสัจจะ ย, ยังสีฉะนั้นสัจจะของพวกเขานี่กับสัจจะของพระพุทธเจ้ามันจึงต่างกันผลการกระทําของพวกเราก็เช่นเดียวกันพระเนนและเมื้ขาว ในออกพอออกที่อยู่รวมกั น, นการปฏิบัติธรรมะก็ไม่เหมือนกันผมก็สังเกตเบิ่งอยู่บางคนก็เอาไ ด, ด้บางคนก็พอไปพอมาบางคนก็รู้สึกว่าเหนื่อยลาย้า<ม>เพื่อว่า<ม>เคล็ดลายเพื่อ<ม>บอดาเมืม่อยเป็นโรคอันนั้นเป็นโรคอันนี้เพื่อว่าเป็นอย่างไรต่อไปนี้นะเมื่อเอาจิตดูจิตเข้าไปเนี่ยเราไปประสบออกกับประมาทบันเนี่ยจิตใจเราจะสบายขึ้นมา ถ้าหากเรามีอารมณ์อยู่นั้นให้จับอารมณ์นั้นไล่โหลดคันเมื่อไปทิ่มอารมณ์นั้นทิดวิปลาสปฏิเดืมอันนี้บทหนึ่งวิปลาสมีอยู่สองบทบ่อนจิตใจที่เปียนจากคว่ำเป็นปุถุชนเข้าไปสู้เขตแดนให้จิตใจเปียนเนี่ยนี่ก็มีวิปลาสผมเข้าใจอย่างสีต่อไปเมื่ออาการเกิดดับของเราจะได้ไปประสบเอาที่ว่าผมว่าเมื่อสักี่นี่ว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวไม่ยาวอีก นี่ก็ต้องมีวิปลาสมีวิปลาสอยู่สองอย่างแต่อย่างหนักนั่นแทนตัวสุดท้ายอย่างตัวเข้าไปเบื้องแรกเนี่ยบนหนะักวันไหนเรื่องวิปสัสนาวนั้นเมื่อลู่ลุบน้นํานี่เป็นอารมณ์ของวิปสัสนาว์ะนั้นผมได้ฟังธรรมะครูบาอาจารย์พุกองค์พุกองค์เคยได้ไปสู้สํานักหลายสํานักไปศึกษาตามอาจารย์ต่างๆเมื่อผมเข้าใจธรรมะอม น, นแล้วแล้วเลยนะแต่ผมบวชมาแล้วนี่ได้ บ, บันนี้ ฟังดูเพราะหูทุกองค์แมนทุกองค์บ่ผิดจากองแล้วแต่นิสัยไชจะสอนไปไชมีความรู้ย่างใดต้องสอนไปอย่างนั้นไชถนัดไปอย่างใดต้องสอนไปอย่างนั้นแต่ผมนั้นวิธีพุทธโพผมก็ได้ทำมาวิธีอลหังผมก็ทำมาวิธีพองยุกผมก็ทำมาบัดมาทำวิธีตีนิ่งนี่แหละผมก็เลยมาตัดค่มว่าของอาจารย์ออก เฮ็ ซ, ซื้อเพียงเอาขวมลูกศึกเมื่อลูกอันนี้นล้วมันลักกลุ่มมัดมาสันผมเข้าใจอย่างซีจึงผมไม่ได้นําเรื่องวิธีพุทโธมาสอนและบ่ได้นําเรื่องอลหังมาสอนและบ่ได้นําเรื่องของยุคมาสอนผมอยากแนะนํำจะย่างเดียวทอ น, นี้เพราะามันลักกลุ่มที่เดียวมันสั้นที่สุดย่างกระทัรัดมาสันทุกคนต้องประสบเอาได้จริงๆริมาสันจะเปรย บ, บันเนี่ย เหมือนดั้งดำดินไปเนี่ยโผ่ขึ้นกรุงเทพรถบาทเดียวนี่ผมคิดอย่างนั้นหรือจะเปรียบเทียบย่างนึงกับเราขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนี่ไปลงปุ๊บสนามบินที่กรุงเทพดอนหนึ่งึ้นบาทเดียวว่ากันมันเลวไปอย่างสิฉะนั้นจึงผมอยากอยากเว่าแต่เรื่องนี้ถ้าให้ผมเว้าเรื่องนี้เนี่ยบ่เหนื่อยถ้าเว่าเรื่องอื่นเนี่ยผมเหมนื่อยถ้าเว้าเรื่องนี้เนี่ยให้ผมว้าเทอดแดดก็ได้ เพราะผมชอบผมมักจะมีเงินมีทองนังนก็นดีอยู่ไ่ได้ขาดทานแต่ความสุขประเทศเรื่องเงินเรื่องทองนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ความสุขเรื่องนี้น่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งถ้าจะคิดน้าหนักมีเงินล้านบาทมาซื้อเอาความสุขประเภทนี้ขายซะอยากจะเอาซะโอ้ยแล้วเท่านั้นแหละผมบอเอาแล้วที่เอามาให้งเงินล้านบาทนี้ ความสุขประเภทนี้เนี่ยผมว่ามันเหนื่งเงินล้านบาทชีวิตของผมนี่ผมว่าผมได้ประสบความสุขอันนี้ผมจิงว่าโบเสือเผยทั้งเมื่แต่ผมรับฟังครูบาอาจารย์สอนอย่างไรผมรับฟังเมดทุกองค์แม้จะเป็นเด็กเด็ก น, น้อยมาสอนผมก็รับฟังแต่ความจริงนั้นกลละเม็ดเว้านั้นผิดโดยทุกผมสั่งซื้อผมรับฟังซื้อแต่ผมโมฆานผิดทูกเป็นเรื่องของคนเราถ้าหากเราโง่นั้น เรากระบอต้องศึกษาตามปกติขวมโง่นี่ต้องมาก่อนเมื่ทุกคนควมสลาดมาจึงมาตามหลังเมื่อห้าขวามโง่บวกเกิดเคลื่อนใสแล้วขวมสลาดบม่มีผมนึกได้อย่างซีเพอว่าสมัยผมเป็นเนรครูบาอาจารย์สอนให้เฮ็ดไปเมื่อทุกอย่างถ้าหากผมสลาดแล้วผมบว่าไปงมเฮ็ดอย่างนั้นผมเฮ็ดต้งแต่สมัยผมเป็นเนรเฮ็ดแบบมีรดโอ้ยผมนึกเลยซีโบได้ศึกท้าฝันนี้ ผมจะได้เป็นพระเถระผู้ใหญ่ซ้ำหรือแม้บางทีอาจจะได้เป็นเจ้าคณะตำบลของเขาก็เป็นได้บางทีผมจะได้เรียนนักธรรมตีธรรมโทธรรมเอกสอบปเปลี่ยนได้คืออย่างมูเพิ่นอาจารย์มหาวิการจีได้ได้ครับเมนบอกเ อ, อื่อคันท้าผมบวชตั้งแต่ทุนบุตรศิษยาภเ น, นี่ยนี่แหละข่วมโง่ของคนมันต้องมาก่อนทุกคนทุกคนไปค่วมตลาดจึงมาตามหลังค่วมผิดมาก้อนว่าท่านจะกรเป็นได้ ข่วมถูกต้องจึงมาตามหลังเมื่อคนรู้จักค่วมผิดอยู่แล้วค่วมถูกต้องไม่มีเมื่อรู้จักทั้งค่วมผิดและค่วมถูกต้องทั้งสองอย่างนี่จริงเนี่ยว่าเป็นมัตสิ ม, มาปฏิปทามัตสิ ม, มาปฏิปทานั้นเดินทางเข้าไปสู่จุดบอกว่ารู้จักจุดนี่แหละมัตสิ ม, มาปฏิปทาเดินทางสายกลาง รู้จักจุดที่สุดของมันนั่นแหละเห็นจุดนี้แหละเป็นมัสสิมาทั้งเสีงว่าบ่บ่ผิดบ่ถูกอาจารย์โอเล่สอนกรบโบผิดกรบถูกคำว่ามัสสิมาปฏิปทานี่แปลว่าค่วมง่าของผมไมเนี่ยผมโบได้ว่าของผู้อื่นไมเนี่ยผมโบได้รููปริยัตเมื่อไปถึงจุดอาการเกิดดับนี่แหละเป็นมัสสิมาปฏิปทาบอกว่าโอเดินเข้ามานี่แล้วถึกปุ๊บ เอานี่ลถเนาะท่านนี่เนาะจุดเดียวท่านี้เนาะแปดหมื่นสี่พันพันนมคันรวมลงมาสู้จุดเดียวเท่านี้เนี่ยจะเรียนหนังสือได้ก็มาสู้จุดนี้เรียนหนังสือบดได้ก็มาสู้จุดนี้เขียนหนังสือได้อย่างคลองแพรวก็จะมาทํางานอันนี้เขียนหนังสือบดเป็นจักโตก็จะมาทํางานสู้จุดเดียวเท่านั้นท่านนี่ปัญหาของมันท่านนั้นนักปฏิบัติทุกคนจงพยายาม ให้ลู่ลูบนามแล้วก็ต้องมองจิตใจมันคิดนึกยังไงก็จะเอาไปอารมณ์ต้องปล่อยไปและเอาสติดูจิตอยู่เสมอไปจนกู้ที่จะเข้าใจปรมัตดได้เมื่อเราเข้าใจปรมัตดแล้วจิตใจของเราจะเปี้ยนเองดอกโบได้บอกไผ่ดอกเมื่อมาจิตใจเปี้ยนแล้วผมจะไปถามผมเคยถามท่านอาจารย์หลายท่านและตลอดถึงสมณเณร และโยมผู้ที่ปฏิบัติธรรมะด้วยกันเมื่อจิตใจเปลี่ยนเข้าไปถึงประมาทัศขั้นแรกผมได้ถามว่าเป็นอย่างไงนนเข้าใจปรมาทัศนบอกเข้าใจจิตใจเปี่ยนแปลงไปบอกเปลี่ยนแปลงปปล น, ปลน้นำหนักของตัวเจ้ามีสิบกิโลนี่จ่เอาเทิ่ยจากกิโลบางคนก็บอกเทิ่ยไปแล้วห้ากิโลบางคนก็เทิ่ยไปสี่กิโลอผมถามเป็นวิธีการอันนี้ครับเป็นพระได้บอกเป็นได เป็นเทวดาได้บ่เป็นไหนทุกบ่ผลการปฏิบัติถูกคําว่าทุกนี่รับรองได้ยังไงบ่ทูกเพราะผมบ่เคยเป็นนงางซีกเครือจิตใจผมเป็นแต่รูปลางฮางสิ่งนี้บ่เปลี่ยนไหนเนี่ยชื่อว่าการเป็นพระนั้นนุ่งเหลืองห่มเหลืองนี่เป็นพระสมมตุติแต่ยัดทิ้งเอาไว้พันท่าเราทิ้มอันนี้ไปแล้วเหมือนกับเราทิ้มข้าเปลือกปีต่อไปนี้บ่มีจิตข้าเปลือกจะไปให้เข้าปลูก คนที่ไปคอยจินเขาสุกบ้านเดียวนั้นโบมีเขาเ้าเปลือกแล้วปีน้านี่เห็ดหนาโบได้แล้วถูกฟ้าแรงกระตังฝนตกหล่ล้าก็ตามโบมีเขา้ขเข า, ขบบเขาเปลือกแล้วแล้วกันบบมีเข้าสุกกินจ้อยซำกินเข้าสุกหมดแล้วกับโบมีเข้าเปลือกแล้วกินเข้าเปลือกเรามโม้ดตายซำบะเหนี่ยเนี่ยปัญหาอันนี้ให้ฝากไว้เมื่อทุกคนที่มาเราทำมาให้ฝั่งมือนีนั่นเราประวัติที่ ปฏิบัติธรรมะมาแด่และกัเวาเรื่องวิปัสนูวิปลาสให้ฟังทุกคนทุกคนจงพยายามตั้งหน้าตั้งตาเป็นเวลาของเราที่ได้ปฏิบัติธรรมะอีกตื่นนั้นเพียงซี่วันเท่านั้นแ่ะวันที่ห้านั้นพวกเราก็จะได้เลิกลากันไปห้าห้าผู้ใดยังมีศรัทธาอยู่เสื้อมั่นนั้นปฏิบัตินำกันแต่ก็บวเป็นอย่างหรือสี่พากันปฏิบัติอยู่ดีเมือ่อทุกคนบ่เลิกละเขาปฏิบัติไวนเมื่อตายแล้วจึงกับสาธุอนุโมทนาด้วย เอาแหละเท่าที่ได้เล่ากันมาวันนี้ก่อนนึกว่าพอสมควรจะเน็กนึงอยไปผู้นั้งกนนะเออขอพูดอีอย่างจล็กน้อยหนึ่งครับหลบกวรเวลามาหลายพอสมควรแล้วก่าห่วงเขามันโ่งดีหน่อยหนึ่งคือว่าในการทีหลวงพอ่อเพื่อนได้ว่าประวัินี่ผมกระเพาะอาจารย์มหาบัวทองแล้วก่คณะครูบาอาจารย์ ได้พย า, ยามขอร้องให้เพื่อนหลวงพ่อเบ้าประวัติให้พวกนักปฏิบัติเท่าได้ทราบอย่างแจ่มแจ้งแน่เมื่อเสานี้ก็เบ้ามาแน่แล้วแต่ว่ามันกะเพื่อนบไริเตรียมตัวก็เลยบันทึกเทปไวก้กะมนี่การขาดขาดโตกโตก๊แกแต่กะอยากให้เพื่อนเนียนนักใ น, ในเรื่องของการปฏิบัติสําหรับของเพื่อนตกลงกะเพื่อนก็เลยรับปากว่าทีเบ้าตอนแรง เพราะฉะนั้นกะารพูดนี่บอเป็นการโอร้อวดเขาเข้าใจแบบนั้นด้วยเหตุที่ว่าเพื่นมีความเมตตาตอนหนักปฏิบัติอยากให้รู้อยากให้เข้าใจว่าการปฏิบัตินั่นมันบอเลือกบุคคลมันบอเลือกเฉพาะว่าจิตเป็นขั้นระดับญาณโยมหรือจิตเป็นป่าเป็นเล่นนี่สิทธิที่จะเขา้าถึงธรรมะพี่กันอ่นนังซือบอออกอ่านนังสือบอได้ก็สามารถที่สะเห็นแจ้งในธรรมะพี่กัน หรือว่าผู้ใดจิตไปคิดว่าเพิินเป็นการโอ้อวดหรือที่อวดอุตริมนุสธรรมย่างหิ้เพิินกระถ่ายพิสูจน์ขึ้นกันเพรอหลักของธรรมานั้นเรียกว่าเป็นเอหิปัสสิโกคือทางให้พิสูจน์การทายพิสูจน์นี่บริไม้ถือว่าเป็นการท้าทายแต่ว่าผู้ต้องการอยากพิสูจน์ผู้ที่จิมาโจทย์ผู้ใดผู้หนึ่งนั้นต้องเป็นผู้ที่เห็นแจงด้วยนะท้าไม่ใช่นั่นกับเขามาปฏิบัติโดยตนเองตามคำในะนําของเพิินอย่างหน่อยๆสามเดือนเพิินว่ารับร่องคน โดยเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติต น, นเองที่เห็นเองเข้าใจเองแล้วหูเองอันนี้กับคอสนับสนุนคุ้มพูดของหลวงพอ่อซึ่งแต่ก่อนเพิ่นเคยพูดกับกระผมหรือญาติโยมทั้งหลายกับที่บาราบโดยเฉพาะนั่นเพิ่นเคยพูดเป็นส่วนตัวเคยคุยกันฟังบ่อยที่สุดหลังจากที่ตอนอทีได้ในภาษาผมได้ทรงพาเน้นมาปฏิบัติวันนี้สามสุดด้วยกันตอนสุดท้ายเป็นผมมาอีก แล้วก็มาปฏิบัติอยู่นําเพิินแต่ก่อนกระบอกหูนาหูโม่ไอหยังดอกพ่องูปลาปางมงูเส้าเสาพีกายนี่ก็มาเบอกถ้ามาเด่งหนาเด่งหลังอยู่กับมองนี่ละเป็นเวลาอยู่เจดแดมือแล้วก็ไปเป็นยังสั่นจากว่าไอหยังดอกไปสอนให้เจาก็ไดาหากเอาไปอยู่พ่อบรนันวันต่อไปชักลากเนี่ น, นตาบอดสอดลูกเป็นคนอวดอวดดีมันก็เลยไปกันเรื่อยๆก็เลยบอท่านหินด่าเหินเดือน กามานีคือกันนั่นแหละว่าวให้มูฟั่งจังสั่นจังสีเรื่องสวรรค์ น, นิพพานอีกอย่างก็คือกันกำก้นอยู่บนดินแล้วก็ไปอธิบายดวงดาวในสองฝาจักว่ามันถิ่นี่หนูพันสันฐานเป็นแบบใดแต่อธิบายให้กันฟัง่งตัวเองกันยังบอท่านขึ้นไปเหยียบดาวจักเครือแต่ว่าหักอยากเบา้าพอวิสัยของคนมักเบา่ามันเป็นยังสั้นอันนี้ก็ขอให้เข้าใจเมื่อหลังจากได้มาทำควมเข้าใจปฏิบัติธรรมะน้ำหลวงพอเป็นเวลาหกหมื่นในภาษาพอวัดจัตตาหามาทรงพระมาตรงเน้นมาในพภาษามาสามสุด มาสุดละศีสุดละหาพานิวัตรมีอุดมการณ์โยวาพานิเนในวัดธรรมเสนาพัฒนารามทุกลูกต้องพานการปฏิบัติจากสำนักดีพัฒนาโมกเขานาล่างทุกลูกท้าบฉะนั้นบอรับเข่าสำนักอันนี้มีอุดมการณ์ไว้แบบนั้นถือว่าเป็นอันเดียวกันก็สิเป็นอันเดียวกันนี่กันหนึ่งจะว่าคั่วติดตอ่อกันโดยเฉพาะเพื่อนรวม ง, งานกันซึ่งเพื่นมหาบัวท่องเคยอยู่น้ากันทํางานด้วยกันสมัยอยู่จังหวัดเลยแล้วกัตจิตตอให้การสนับสนุนกันยุ่เรื่อย กับผมเองก็ บ, บ่ได้ทราบว่าเพื่อนป็่นทำมาเพราะว่าอยู่น้ากันเมื่อพ่อวันนั้นแหะเมื่อปีเมื่อสัตบอกหูเรื่องอยังอยู่จังหวัดเลยหนึ่งปี2ีสิบสี่เดือนก็นี่หนึ่งปีกับอีกนีสิบสี่วันกาเพื่อนใหญ่ไปอยู่กรุงเทพผมเองกาใหญ่ไปทำงานอยู่สระบุรีอีกแปดเดือนออกจากสระบุรีกับใหยมาหนองค่ายด้อีกสองเดือนก็มีสิบสามวันจากหนองคายกับหญ่มาอยู่ดอนเด็กเจ็ดเดือนค่ายอยู่ด น, น เจ้ว่าสิง่ายต่อไปทช่อีกชื่อกันพ่อว่าจำแต่ตอนบวชมาหนิอยู่บนไหนบวเกินหนึ่งพันษาแต่กะจิดว่าสิพยัญญมอยู่จังหวัดอุดรเนี่ยมันได้พอสองพันษาซะก่อนคันตหาว่าบวท่านพอสองพันษาเลือกินบวท่นอยา่างง่ายคอยชีวิตมันสอบง่ายอยู่เรื่อยๆแต่ว่าความตั้งใจนั่นขันหาว่าได้เป็นตำแนักปฏิบัติแล้วคือสิง่ายเาี่ยพ่อว่าเดี๋ยวนี้กําลังหักนักปฏิบัติหลายเห็นแม่ออกแม้ตนยากโยมสนใจการปฏิบัติเห็นพาเน้นสนใจการปฏิบัติการรู้สึ ก, กดีอกดีใจนํําาเเปป็็นนนบุุศ ควเลือกปริญญาตนันเฮี้ยนมากกับจนหัวผุคือว่าเฮี้ยนแล้วก็เลยให้เจขอ้งโงอยู่งเลยไปที่ขอลองให้หลวงพ่อเพิ่นบอกขึ้นมาหน่อกัเพื่อเป็นการกระตุ้นศรัทธาของนักปฏิบัติภูมิศรัทธาอยู่แล้วให้เพิ่มชั้นทาวิริยาอุตสาหะของเท่านี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามลำดับเท่าบวสามารถที่สี่เหลี่ยงลองขึ้นมาได้ถ้าหากว่าหลวงพ่อตายไปกะดีหรือว่ า, าคณะตู้บายอาจารย์ผู้ไหกการอบรมมูเนี่ตายไปก็ดีหรือว่านักปฏิบัติที่มาสูนี่สู่โลกไพ่ ถือว่าขันธมานมันรังควน้นบ่าสามารถที่สีต่อสู่ไปได้หอบหิวสังขารปฏิบัติจนถึงฟังถึงฟ้าได้ก็ขอให้เป็นอุปนิสัยอย่าประมาทย่าอาศัยควมเกียดขัดย่าอาศัยควบเป็นคนวายยากสอนยากอย่าเป็นคนดืนด้านและอย่าเป็นคนดืดดึงเท้าต้องทําตนเป็นบุคคลที่ต้องเอาชนะกับสิ่งที่เท้าต้องการให้ได้โดยเฉพาะยังยิ่งนี่การปฏิบัตินี่ขอสี่แจงอย่างนึงคือว่าเข้ามักมีอันตรายคนปฏิบัติถ้า ม, มานี่มีอันตรายแท้ โบได้หมายถึงว่าอันตรายนี่สี่เกิดนี่จะพอคนที่อยู่นอกสี น, นอกถ้ำเท่านั้นนี้คนอยู่ในสีนในถ้ำ น, นี่ก็มีอันตรายคือกันโดยเฉพาะอันตรายข้อแรกที่สุดคือกิเลสอันตรา ย, ยะหมายถึงกิเลสเป็นอันตรายกิเลสเป็นอันตรายนี่นับตั้งแต่ควหง่วงเหงาห้านอนควมหิวควมอยากอ่าความอวดดีควมเป็นคนมักเว่ามักคุยมักสนทนามักเป็นคนโอ้อวดต่างๆ่า ง, างนี่หรือว่าเป็นคนชุนเฉียวอารมณ์โกรธง่ายโบหูจัก การปล่อยว่างอีกย่างต่างๆนี่ถือว่าเป็นกิเลสอันตรายจ้ะกิเลสเป็นอันตรายบางที่กับมากพอมาปฏิบัติแล้วก็เกิดลังเลสงสัยในตัวผู้บาอาจารย์บอกจริงบพ น, น้อจังสันจังสีแล้วมาปฏิบัติเสียว เ, วเวลาเวลาอยู่บั่นอยู่ซองเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กิเลสเงินเกบาดทิบบาดหรือว่าถ้าเป็นพระเจา้าพระสงฆ์ ก, กับสวดนาคบ่หรือว่าไปกรรมฐานบอกกับกิเลสที่หาบาดทิบบาดก็สิ่พ่อผสมประเ ส, ะ ส, ะสไปคว่วมห่วงในหลับสกัลลาก็มีคว่วมลังเลสงสัยก็มี นี่มันเป็นนิวรอนเขาขอบงํากันกา ร, การจิตบ่อยบรรุค่วมดีและอีกอย่างนึงกักุกอุตจักกูกุจักค่วมปุ่งสั่นและลําค้นอยู่กับงุดยิดใจเดียวกับลำขั้นผู้นัน้นเดี๋ยวยุเขาก็ไปพ่อเขาเจ้าของก็ไปคือสร้างเขาอยู่พอบนัน้นอันเรื่องนี้แย่มีเรียกว่าอุตจักกูกุจกักงุดยิดแม่ก็ตั้งในยินเสียงไว่บอกอยิ้งกับลาคั้นอันนี้เขาต้องหูให้ท่านเมื่อหูให้ท่านแล้วพญ่ำมใส่จิต ด, ดูจิตเอาสติเบื้งจิตแล้วอารมณ์ต่างๆเนี่ยไปพยามตามมให้ทัน เข้าสู่ทุกสู่ยากสู่ลาบากมาแล้วเลี้ยงลูกปูกพ่อหรือว่าแคบเดียวชีวิตบอดมาแล้วกับชีวิตนั่ะเข้าเป็นอยังจังคอยไปสู่ไปเหตุหายเย น, นามันบวตายบอกว่าลาบากเมื่อกระตายคือกันเมื่อกระเสียงต่อนจะไล่ขึ้นกั น, ก ย, น, ย, น, กนย่างไปหน้าเอา้าบางที่